หมอกการปฏิบัติมากนะคนก็น้อยนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่ว่าคือสนะิบ0ปีที่แล้วคนน้อยมากนะอาจจะมีพระแคบ3 4่หรูปนะโยมอีก4 5ห้าคนก็เป็นช่วงที่หมอการปลีกวิเวกนะหมอการปฏิบัติ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 เท้าของเด็กเนี่ยต่กอนก็นุ่มนะแต่พอเดินบ่อยๆเดินบ่อยๆเนี่ยเท้ามันสัมผัสกับพื้นดินพื้นดินมันสากนีมันมีหินมันมีกรวดทิ่มเท้าเราก็พัฒนาหนังเท้าขึ้นมาให้มันหนานคนที่เดินเท้าเปล่าเนี่ยหนังก็จะด้านเท้ามันเกิดการเรียนรู้นะว่ามันต้องอทําให้หนังด้านขึ้นเพื่อว่าจะได้ไม่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 เราหน่าจะเรีรู้นะก็คือรู้ทันมันรู้ทันมันรู้จักมันดีขึ้นรู้ทันมันได้ไวขึ้นหรือว่ารู้ทางมันนะเพียงแค่เห็นเพียงแค่มันโผล่มาแต่ไกลนี่ก็รู้ทางแลนะ้วอย่างสัตว์เนี่ยอย่างกวางเนี่ยนะหรือว่าพวกสัตว์ในป่าเนี่ยเพียงแค่เห็นคนมาไกลๆนี่มันก็เริ่มขยับละมันก็เริ่มไหวตัวแล้ว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 ตูมตามนะไอ้ที่โกรธตูมตามหรือว่าเพศจี๊ดเนี่ยนะมักจะเป็นพ่อกดเอาไว้กฎคมเอาไว้นะหรือว่าเจอซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วจนกระทั่งมันทนไม่ไหวมันก็เลยจี๊ดนะกรธจี๊ดขึ้นหัวหรือว่าระเบิดโวยวายติออกมาเลยแต่คนเราทุกคนเนี่ยนะก็เราจะเจอความโกรธมาทั้งชีวิตเจอความเศร้ามาทั้งชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ย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 คิดว่าจะรับมือความโกรธยังไงเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวลาเจอความโกรธจริงๆนะแต่พอเจอความโกรธจริงๆเนี่ยสติเนี่ยมันจะทให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับมันได้แล้วเราก็จะสามารถจะเรียนรู้นะจากอารมณ์เหล่านี้ได้นะเราเรียนรู้นะจากมันเสมอกับว่ามันมาให้เราได้ศึกษาให้เราทําใจแบบนี้นะนักปฏิบัติเนี่ยเวลาอารมณ์พุทธิมาเนี่ยมันมาเพื่อให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ให้เราได้ฉลาดขึ้น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 เราก็ต้องทำให้ดีกว่ามันด้วยนะอาละชาวนี้เอาขาเดียวพุทธนี้ออกกรับับ